ที่วัดปุขาทองนะที่หลวงพ่ออมเขียนเคยเป็นเจ้าวาดอยู่มีญาติโยมกลุ่มหนึ่งนะมาถวายสังฆทานาโยมกลุ่มนี้นะเป็นศิล ป, ปินนะนำโดยคุณสมภ พ, พุทธราชซึ่งเป็นศิล ป, ปินที่มีผลงานทางด้านศิล ป, ปะมากมาย กับคณะเนี่ยรวมก็เรียกว่ากลุ่มจิตตกรไทยสังฆทานที่ถวายนะก็ไม่ใช่สังฆทานทั่วไปแต่เป็นผลงานศิล ป, ปะผลงานนี้เนี่ยเรียกตามภาษาชาวบ้านว่าเป็นภาพภาวเวศภผเวศนี้ก็หมายถึงพระเพสันดรภาพเาวเวก็หมายถึงภาพนะ ที่เป็นเรื่องราวกรองพระเวสสันดรผ้าพระเวทเนี่ยมีความสำคัญนะสำหรับชาวบ้านเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งนะของการทำบุญที่เราบุญมหาชาติหรือบุญพระเวทบุญมหาชาตินี่ก็เป็นการ เป็นงานบุญนะนะที่มีแก่นๆอยู่ที่เรื่องราวของพ่อเวชสันดอนบุญพ่อเวณนี่บางทีก็เรียกบุญมหาชาตินะเพราะว่าชาวพุทเรานะมีความเชื่อว่าเนี่ยพ่อเวชสันดอนเนี่ยือเป็นชาติสุดท้ายนะก่อนที่ จะพระโพธิสัตว์จะได้ตัสรู้เป็นพ ร, พ, พระพุทธเจ้าเนี่ยจึงเป็นชาติที่สำคัญนะเรื่องมหาชาตินะพวกเราชาวพวกคงทราบดีนะว่าก่อนที่พระเจ้านี่จะอุบัติขึ้นมาในโลกเนี่ยพระองค์ก็ได้สวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์เรียกว่าหลายชาติที่เดียว และชาติที่สำคัญคือสิบชาติสุดท้ายเนี่ยซึ่งเรียกว่าทศชาติเป็นสิบชาติที่พระโพธิสัตว์ได้บำเพ็ญบารมีที่สำคัญสิบประกา ร, ราดรวยทศบารมีเริ่มตั้งแต่ทานศีลในครรมะปัญญาสัจวิริยะ คันติอธิษฐานเมตตากรุณาอเมตตาอุเบกขาเทศบา ร, รมีเนี่ยหรือการบำเพ็ญบา ร, รมีสิบประการอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะที่จะทำให้บุคคลได้บรรลุโพธิญาณคือได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะบารมีเนี่ยมัน เดี๋ยวนี้ความหมายก็เพี้ยนไปเยอะนะแต่ความหมายที่แท้คือว่าการบำเพ็ญคุณความดีอย่างยิ่งยวดซึ่งทําได้ยากนี่ในบรรดาทศชาติเนี่ยนะชาติที่สําคัญที่สุดนะในความรู้สึกของชาวบ้านเนี่ยดูชาวพุทธไทยแต่ก่อนเนี่ยก็คือชาติสุดท้ายจึงเรียวกว่ามหาชาติ เรื่องการทำบุญเรื่องบุญมหาชาินี่สมัยก่อนเนี่ยมันเป็นบุญที่สำคัญที่สุดเลยนะของปีเลยชาว บ, บ้านแต่ก่อนเนี่ยไม่ว่าภาคใดก็ตามเนี่ยพอถึงเนี่ยประมาณเดือนสามหรือเดือนมีนาเนี่ยก็จะมีการทำบุญเทศมหาชาติ รบุญมหาชาติถ้าเป็นอีสานเรียกบุญภาเวทที่ว่าปกทองเนี่ยก็จัดงานบุญภาเวทนี้ทุกปีนะปกติก็จะเริ่มเนี่ยวันนี้สิมีนาแต่ก่อนนี้ก็ทำกัน3วันเล ย, เยถ้าครบสูตรนี่สวัน แต่เดี๋ยวนี้ก็ลดเหลือวันเดียวยกเว้นบางทีย่ยังทำหลายวันอยู่เพื่อัวทองนี่ก็มีงานบุญพ o v e r ทุกปีเริ่มต้นที่สิบกมีนากลุ่มจิตกรไทยเนี่ยก็เลยนำผ้าพระ e r h เนี่ยมาถวายเมื่อวาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของงานบุญบุญพระเวทแต่ว่าปีนี้เนี่ยงดจัดนะเพราะว่าสถานการณ์โควิดมันยังน่าเป็นห่วงอยู่แต่ว่าถึงงดจัดนะคณะญาติโยมกลุ่มนี้ก็ยังมีจิตศรัทธานผะาพระเวทเนี่ยมันก็คือ ภาพที่เป็นเรื่องราวของพระเวสสันดร13ตอนนะเรียกว่าตั้งแต่ตอนแรกนะคือตอนกำเนิดเลยก็ถึงตอนสุดท้ายวความยาวของผ้านี่ก็20เมตรได้นะยาวทีเดียวแล้วก็วาดด้วยฝีมือที่งดงาม วาดด้วยสีฝุ่นธรรมชาตินวะันนี้ยิ่งยากเข้าไปใหญ่เพราะเดี๋ยวนี้นี่หาศิลปินที่วาดด้วยสีฝุ่นธรรมชาตินี่น้อยมากเพราะว่าต้องใช้ความเพียรพยายามเยอะเดี๋ยวนี้ก็ใช้สีอะคริลิกกันสีน้ํามันนะคณะศิลปินกลุ่มนี้นี่ไม่ใช่แค่ทําภาพ เอาเวทเนั้นนะตอนนี้ก็กําลังวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดภูเขาทองในบทวัดภูเขาทองซึ่งคงใช้เวลาหลายปีทีเดียวเพราะว่าภาพจิตรกรรมฝาผนังนี้วาดด้วยสีฝุ่นเหมือนกันกว่าจะทําพื้นให้เหมาะกับการวาดภาพด้วยสีฝุ่นนี่ก็ใช้เวลาเป็นปีนะผนังนี้ต้อง ต้องตัดเตรียมอย่างดีทำแล้วทำอีกนะแต่ว่ากว่ายเสร็จก็คงหลายปีแต่ที่เสร็จ เ, เป็นรูปเป็นล่างก็คือภาพพระเวนนี่แหละซึ่งถ้าเป็นปีก่อนๆถ้าเป็นถ้าจัดบุญพระเวนนี้ก็คงก็จะมีการแห่ บุญมาชาตนี่มันเป็นบุญที่สำคัญนะที่สุดของชาวบ้านนะในรอบปีเลยก็ว่าได้นะถ้าพูดถึงสมัยก่อนนะเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่นะสำคัญยิ่งกว่าบุญกระถิ่นซะอีกนะสมัยก่อนชาวบ้านก็ตั้งตาตั้งตารอเนี่ยบุญพระเวทเพราะว่าไม่ใช่แค่งานบุญธรรมดานะแต่ก็ เป็นงานที่มีความรื่นเริงสนุกสนานด้วยชาว บ, บ้านได้มีโอกาสมาร่วมกันทำงานตกแต่งประดับประดาโบสถ์วิหารที่ใช้เทศนะสิ่งสำคัญของบุญพระเวทเนี่ยคือการเทศเรียกว่าเทศมหาชาติ เป็นการเทศที่เรียกว่าใช้เวลานานมากนะเพราะว่าเทศให้ครบนี้ต้องเทศสิบสามกันคาถานี่ก็หนึ่งพันค า, าถาถ้าจะฟังให้ครบนี้ก็ต้องฟังตั้งแต่ตีห้านกว่าจะเสร็จก็ค่ำเนี่ยจึงจะครบ13บสากันแล้วคนก็มาฟังกันนะฟังกันเรียกว่าทั้งหมู่บ้านเลย เหตุผลก็เพราะมีความเชื่อนะว่าถ้าฟังเทศมหาชาติครบภายในหนึ่งวันนี้จะได้มีโอกาสไปเกิดในยุพัชศีอ่านนะชาวบ้านไทยเรามีความเชื่อเรื่องพระศีอ่านซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเกิดตอนนี้เนี่ยไม่ได้ไม่ทันได้พบพระพุทธเจ้า แต่ถ้าได้เกิดในยุคภาษีอันนี้ได้พบแน่พอมีความเชื่อว่าฟังเทศมาชาติครบภายในหนึ่งวันนี้จะได้ไปเกิดในศาสนาหรือยุคภาษีอันก็เลยน่ยมมาฟังแต่ฟังนี่ไม่ใช่แค่เอาบุญอย่างเดียวนะอย่างได้ความสนุกสนาน แล้วก็ได้ความรื่นเริงด้วยเพราะว่าเทศมาชาติเนี่ยเป็นเทศที่ไม่ว่าจะเป็นเลลาหรือเนื้อหานี่สามารถที่จะสร้างอารมณ์นานาชนิดให้กับผู้ฟังได้เหมือนกับดูโทรทัศน์หรือเหมือนกับดูหนังเลยเช่นอารมณ์สะเทือนใจ อารมณ์ดีใจหรือว่าเพลิดเพลินในธรรมชาติหรือว่าเกิดความตื่นเต้นเร้าใจบางทีก็เกิดความคับแค้นนะในพฤติกรรมของตัวละคร บ, บางตัวโดยเฉพาะอยู่ชูชกเนี่ยซึ่งเป็นตัวละครนะที่ ทำให้เกิดมีรสชาตินะที่เหมือนกับนะได้ดูหนังเลยทีเดียวอันนี้นะเทนมาชาติเนี่ยคนนิยมเนี่ยนอกจากจะได้บุญแล้วอย่างที่ว่าเป็นเพราะเรื่องราวของพระเวสสันดร น, นี่ก็เป็นเรื่องราวที่ไม่ธรรมดา นติดตามทั้งเรื่องนี้ก็มันก็จะเกิดความตื่นเต้นชวนติดตามวรรณกรรมเนี่ยที่เรียกว่าวรรณกรรมมหาชาติเนี่ยนันจึงเป็นวรรณกรรมที่คนติดตามแล้วก็นิยมกันมากนะถ้าอ่านหนังสือออกนะอันนี้อย่างที่เราทราบนะว่า พระเวสสันดรเนี่ยนะเป็นชาติสุดท้ายซึ่งบารมีที่ท่านบําเพ็ญอย่างยิ่งยวดที่สําคัญก็คือทานนะแกน่นแก่นของเวสสันดรชาดกหรือเทพมาชาดเนี่ยก็คือเรื่องของคุณธรรมหรือบารมีข้อนี้ฐานน้ำบารมีโพระพระเวสสันดร น, นี่ท่านมีเป็นผู้ที่มีความ น้ำใจกว้างขวางแล้วก็ใยในการบาเพ็ญทานนี่มาตั้งแต่เล็กแล้วพอการบาเพ็ญทานของท่านเนี่ยทำให้เกิดเรื่องราวมากมายจุดหักเขที่สำคัญก็คือให้ช้างคู่บ้านคู่เมืองนะแกชาวบ้านชาวเมืองกลุ่มหนึ่งที่มาขอ ช้างคู่บ้านคู่เมืองนี้เนี่ยเป็นของชาวสีพีนะพอพระไบสันดรยกช้างคูบ้านคู่เมืองให้กับชาวบ้านที่เขารังเดือดร้อนทั้งชาวเมืองสีพีก็เลยไม่พอใจก็เลยขับไล่พระไบสัดรนพระเบสันดรนนี่พอเข้าป่านี่ลูกเมียก็ติดตามไปด้วย ด้วยความรับด้วยความห่วงใยแล้วก็เลยเกิดเรื่องราวต่างๆตามมาโดยเพราะาจุดสำคัญนะน่าจะเป็นจุดใครแมก็คือการบริจาคลูกนะคือกันหาและชาลีและตอนหลังก็บริจาคนะเมียคือพระนางมัทสีนะอันนี้เป็นเป็นจุดสำคัญเลยซึ่ง สร้างอารมณ์สะเทือนใจนะแล้วขณะเดียวกันก็ให้แง่คิดมากมายทำไมพระเปสันดนดรจึงบริจาคหรือว่าสะละรูปเมียอันนี้จะว่าไปก็เป็นบททดสอบก็ได้เป็นบททดสอบที่สำคัญเลยเพราะว่าเป็นการสละที่ทำได้ยาก พระเสสันดรเนี่ยตั้งแต่เล็กเลยนะท่านก็มีปณิธานเนี่ยพร้อมจะสละดวงตาและอวัยวะให้กับผู้ที่เดือดร้อนที่มาขอนั้นสลักท่านในการสละอวัยวะของตนเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากแต่เรื่องที่ยากที่สุดก็คือการสละหรือบริจาคลูกเมีย เดือเพราะลูกเนี่ยแต่บททดสอบเนี่ยก็สําคัญนะเพราะว่าถ้าผ่านได้เนี่ยการบรรลุโพธิญาณหรือการตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าก็เกิดขึ้นได้อย่างที่เราทราบนะเพราะว่าอย่างที่เราทราบคือว่าเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยท่านจะออกบวชได้เนี่ยท่านก็ต้องสละนะลูกเมียและเพราะ สละลูกเมียจนออกบวชได้เนี่ยจึงได้บรรลุพระสัมมาสัมพธิยาณหัวในแง่นี้ก็เหมือนกับว่าถ้าพระเบสันดรเนี่ยผ่านบททดสอบนี้ได้เนี่ยคือการสละลูกเมียการบรรลุโพธิญาณในชาติต่อไปก็จะเป็นไปได้เพราะถึงตอนนั้นก็จําเป็นจะต้องทิ้งลูกทิ้งเมียเพื่อออกบวชเพื่อบรรลุในพระสัมมาสัมโพธิยาณ ถึงพระเวสสันดร น, นี่ก็ทําได้นะผ่านบททดสอบนี่ได้แต่ก็เจ็บปวดทรมานมากนะเพราะว่าพอท่านไม่ได้จากลูกให้กับชูชกแล้วนี่ท่านก็เสียใจมากนะแต่ท่านก็รู้จําจเป็นต้องทำนะไม่ใช่ว่าไม่รักลูกนะแล้วก็หรือไม่รักเมียนะแต่ท่านรู้ว่าความหวงแหนความยึดติดเนี่ย ในลูกและเมียเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคเหนี่ยวรั้งที่ทำให้ไม่สามารถจะบรรลุรมขั้นสูงคือบรรลุโพธิญาณได้ดังนี้การที่ท่านผ่านด่านนี้ไปได้นี่ก็ทำให้หนทางแห่งการตัสรู้เป็นพุตเจ้านี่ก็เปิดกว้างขึ้นจริงจริงแก่นกงของเรื่องนี้เนี่ยมันชี้เห็นถึงความสำคัญนะของคุณธรรม หรือบารมีที่ชื่อว่าทานท่านที่ทานเนี่ยนะมันเป็นบารมีข้อแรกในทศบารมีนะแต่ว่าทานเนี่ยกลายมาเป็นเรื่องสำคัญนะในชาติสุดท้ายของทศบารมีเพราะว่าเมื่อให้ทานแล้วเนี่ยการปล่อยวางจึงจะเกิดขึ้นได้ทานเนี่ยในแง่หนึ่งเนี่ย ก็เป็นไปเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นนะที่ทุกข์ยากเดือดร้อนซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เห็นเด่นชัดในเรื่องราวของพระเบสันดอนนะคนที่เดือดร้อนนี่มาขอพระเบสันดอนท่านก็ใหนะ้เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์บรรเทาความเดือดร้อนแต่ขณะเดีวยวกันนอกจากเป็นประโยชน์ท่านและนี่ทานนี่ก็เป็นประโยชน์ตนด้วยนะเป็นการ ฝึกจิตให้ลดให้ละให้หวางเพราะธรรมชาติคนเราย่อมมีความรักความวงแหนความยึดติดนะแต่ถ้าเราเริ่มรู้จักที่จะให้ทานนะโดยเพราะทานที่เป็นสิ่งของเนี่ยมันก็ช่วยลดละความยึดความติดในทรัพย์เจริญเล็กเจิน้อยและต่อไปเนี่ย ก็กล้าไปสู่การปล่อยการวางในผู้คนซึ่งมันไม่ได้แปลว่าขาดเมตตานะเมตตายังมีแต่ว่าไม่ได้ยึดในใครคนใดคนหนึ่งว่าเป็นเราเป็นของเราเพราะการยึดเช่นนั้นเนี่ยมันก็คือการเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง แต่ถ้าเป็นเมตตากรุณาเนี่ยมันจะเป็นไปเพื่อผู้อื่นเอาผู้อื่นเป็นศูนย์กลางมากกว่ามากกว่าที่จะตอบสนองความต้องการส่วนตัวจริงๆจะว่าแต่โพธิยาเลยนะแม้กระทั่งความความสุขภาษาชาวโลกเนี่ยมันก็ต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางนะเพราะถ้าไม่ปล่อยไม่วางเนี่ย ก็จะหาความทุกข์ก็จะมีความสุขได้ยากนะจะมีความทุกข์ได้ง่ายหรือเกินเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่เราสามารถจะยึดได้ว่าเป็นเราเป็นของเราเลยและถึงแม้ว่าจะยึดจะหวงจะแหนแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องปล่อยต้องวางหรือต้องทิ้งนะโดยเพราะเมื่อความตายมาถึง คนเราในสุดเนี่ยมันก็ต้องทิ้งต้องละต้องวางทุกอย่างนะเพราะวาความตา ย, ยจะมาพรากไปไม่ต้องร้อยไข่มาขอไม่ต้องร้อยชูชกมาร้องขอเนี่ยความตายนี่แหละนะมันจะมาทำให้เราต้องละทิ้งทุกสิ่งไปแต่ถ้ายังห่วงยังแหนไม่ปล่อยไม่วางถึงตอนนั้นก็จะทุกข์ทรมานมาก จะทุรนทุนรายกระสับกระส่ายเรียกว่าตายไม่สงบถ้าจะตายสงบได้ก็จำเป็นต้องละต้องวางต้องปล่อยแต่จะดีกว่านะถ้าว่าฝึกวางฝึกปล่อยนะตั้งแต่ตอนนี้เริ่มต้นด้วยการปล่อยการวางนะรับสมบัติสิ่งของ ด้วยการรู้จักให้เป็นทานเรื่องราวของพระประสันดอนเนี่ยนะในโมโนสำนึกของชาวบ้านเนี่ยมันเป็นเรื่องที่บรรดาลใจให้รู้จักให้รู้จักเสียสละนะถึงแม้ว่าการให้ที่เป็นจุดพีิกเนี่ยของพระประสันดอนเนี่ย คือการให้ลูกให้เมียจะเป็นเรื่องยากนะแต่ว่าแม้จะไม่ถึงขั้นนั้นเนี่ยแต่ถ้าเหมือนมันถ้าฝึกนะการให้อยู่นิดอยู่เป็นอยู่นิดๆนะอยู่เ น, นืองเ น, นือนงเนี่ยมันก็ช่วยทำให้จิตใจเนี่ยได้เข้าใกล้ความอิสระล้าถ้าเป็นชาวพุทธเนี่ยที่เชื่อในเรื่องของนิพพานเนี่ย ก็หมายความว่ามันทำให้จิตใจเนี่ยเข้าใกล้พรนิพพานหรือเข้าใกล้โพธิญาณมากขึ้นที่จริงแม้จะไม่ปรารถนาโพธิญาณเนี่ยอย่างที่บอกนะในการปรารถนาความสงบเย็นในชีวิตเนี่ยมันก็จำเป็นที่เราต้องรู้จักการปล่อยการวางและสิ่งที่จะฝึกให้เราปล่อยให้วางได้ก็คือการให้ทานการบริจาค ในเรื่องราวหรือรอบา ร, รมีคุณธรรมของพระเิสันดรเนี่ยมันไม่ใช่เหมาะกับคนรุ่นก่อนรุ่นเก่าเท่านั้นนะยิ่งรุ่นนี้เนี่ยก็ยิ่งสำคัญนะเพราะคนยุคนี้นี่ถูกฝึกมาให้ยึดถูกฝึกมาให้มีมากๆนะเราถูกสอนมาว่าต้องมีเยอะๆต้องมีมากๆถึงจะมีความสุขถึงจ ะ, ะมีความเจริญถึงจะเราเป็นคนประสบความสาเร็จ และมีก็ไม่ได้มีปล่ๆมีแบบยึดมั่นถือมั่ น, นซึ่งนี้ทำให้เกิดความทุกข์มากขึ้นนั้นถ้าฝึกปล่อยฝึกวางด้วยการให้ใจมันก็จะเบาใจาก็สบายแต่ที่จริงเรื่องราวของพระปรสันดอนเนี่ยสาหรับคนสมัยนี้อาจจะไม่ค่อยสื่อเท่าไหร่ล ะ, ะถ้าเป็นสมัยก่อนนี่เขาจะอินมากนะแต่สมัยนี้เนี่ย เรื่องราวที่จะบันดานใจผู้คนให้รู้จักปล่อยรู้จักวางลำพังแค่พระเวสสันดรหรือว่าเรื่องของชาวิโกต่างๆนี้ก็อาจจะไม่พอมันต้องมีเรื่องราวอื่นๆที่มันร่วมสมัยมากกว่าแต่ว่าถ้าหากว่าเข้าใจในแก่นธรรมนะจากมหาชาติเนี่ยนะ เราก็ยังสามารถที่จะเรียนรู้อะไรได้มากมายนะจากเรื่องราวพระพิสันดรจริงเนี่ยการบําเพ็ญบารมีของพระพิสันดอนเนี่ยสำเร็จได้เนี่ยก็เพราะคนคนหนึ่งนะนะก็คือชูชกเนี่ยชูชกนี่เป็นเป็นคู่ตรงข้ามกับพระพิสันดรเลยพระพิสันดรนนี่เป็นผู้ที่มีแต่ให้ให้ให้ใ ห, ให้แต่ชูชกนี่เป็นคนที่ ที่แต่จะเอาเป็นคนที่มีความโลภมากและสุดท้ายก็ตายเพราะความโลภนะเพราะว่าพอเอาลูกคือกันลูกของพระเบสันดรนคือกันหาชาลีเนี่ยไปไปไทยได้ทรัพย์สมบัติจากพระเจ้าสันชัยซึ่งเป็นปู่ของเด็กสองคนเนี่ย ทางในวังนี่ก็เลี้ยงนะอย่างใหญ่โตมโหฬารเลยไม่มีงานเลี้ยงใหญ่ โ, โชชกนี่ก็กินกินกินยินกิ น, กนด้วยความโลภด้วยความตกะกร้ตะกรามจนท้องแตก น, ะนเรียกว่าเป็นคู่ตรงข้ามกับพระเวสสันดรเลยแต่พอมีโชโชกนี่แล้วนะพระเวสสันดรจึงได้บาเพ็ญบารมีที่สำคัญนะได้บริจักทานที่ทำได้ยาก ก็คือการสละลูกซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยถ้าไม่มีชูชกนะการบาเพ็ญบารมีขั้นอุกฤษเนี่ยของพระเวสันดรนี่ก็คงไม่เกิดขึ้นแต่พะมีชูชกเนี่ยการบาเพ็ญบารมีของพระองค์เนี่ยจึงเกิดขึ้นและด้วยความตั้งใจอย่างแน่แน่จึงทำได้สำเร็จ เปิดทางไปสู่การบรรลุโพธิญาณนนะในชาติต่อไปห้ามอในแง่นี้เนี่ยชูช่งนี้ก็ถือว่ามีบุญคุณนะที่ทำให้การบาเพ็ญบารมีของพระเบสันดอนเกิดขึ้นได้อันนี้ก็เป็นแง่คิดให้กับเรานะเวลาเราจะบาเพ็ญทานเนี่ยมันจะมีอุปสรรคเยอะแยะรวมทั้งกิเลสความเห็นแกตัว แต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้พัฒนาจิตเพื่อการสละเพื่อการวางมากขึ้นและไม่เฉพาะเรื่องการปล่อยการวางหรือการสละนะเวลาเราทำความดีอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีอุปสรรครวมทั้งเวลาเราทำอะไรเนี่ยมันก็จะมีคนที่จะมาก่อกวนรังควานเรามากระตุ้นให้เราโกรธ มาย่วให้เราขุนมัวมาขัดขวางเราถ้าเรามองว่าคนเหล่านั้นเนี่ยนะเขามามาช่วยให้เราเนี่ยได้ฝึกจตฝึกใจได้บาเพญ็ญคุณธรรมหรือบา ร, รมีให้สูงขึ้นไปในะเช่นมีความอดทนอดกลั้นมีเมตตากรุณามากขึ้นแม้เขาจะมาด่าทอเราแต่แทนที่จะโกรธนะก็ให้อภัยเขา อยู่รือจากแผ่เมตตาให้เขาบางครั้งคนเราเนี่ยจะพัฒนาคุณธรรมหรือจะฝึกตนให้เจริญก้าวหน้าได้เนี่ยมันก็ต้องมีอุปสักหรือคนแบบนี้นะและเพราะมีคนแบบนี้เราจึงมีมันจึงเป็นโจทย์ให้เราได้พัฒนาตนแทนที่จะอยู่สบายๆเนี่ยก็มีแบบฝึกหัดให้ต้องทำหรือ มีอุปสรรคที่ต้องผ่านให้ได้และพอผ่านให้ได้แล้วเนี่ยนะก็จะรู้สึกเลยนะว่าเนี่ยต้องขอบคุณอุปสรรคหรือคนเหล่านี้อย่างที่เขาเรียกว่าเนี่ยมารบมีนะบรมีบอกเกิดถ้าเราหมองว่าคนที่เข้ามารบกวนมารังควานมาต่อว่ า, าด่าทอหรือขัดขวางเราพวกนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับสิ่งที่มา เสริมสร้างบารมีให้กับเราหรือกระตุ้นให้เราบําเพ็ญบารมีขั้นสูงเพื่อที่จะได้บรรลุธรรมนะขั้นสูงต่อๆไปเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้อกุศลเนี่ยในใจเนี่ยไม่เกิดขึ้นเมื่จะเป็นความโกรธความเกลียดจะทําให้เราเนี่ยสามารถจะเอาชนะอกุศลเหล่านี้ได้แล้วก็ได้เข้าถึงธรรมะขั้นสูงต่อไปอา้าชาติโพธธนนี้นะ